สำหรับปัญหาเรื่องโลกได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราเพ่งเข้ามาข้างในไม่ nice เพ hey, ่งออกไปข้างนอกคือการตอปัญหาเกี่ยวกับโลกธาตุในพุทธศาสนาเพ่งโลกอยู่ในตัวบุคคลชีวิตมนุษย์กระปัตินี้เป็นโลกโลกหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะลัพนาการของโลกในทัศนาทางพุทธศาสนาจึงแสดงออกในรูปของปฏิจจาตะมุประบาทหรือที่เรียกกันว่าปัิกยาการปัิกยาการติดต่อ ซึในภายหลังในยุคที่มีอภิธรรมเกิดขึ้นแล้วได้พัฒนาปฏัปเจเจกสมุปปาฏบอดออกเป็นปัจจัย24ประการด้วยกันดังปรากฏพิจาลในคำพิมพ์มหัพทานส่วนในศาสนาพิจิยมฝ่ายเทวะคือศาสนาที่เป็นของเทวนิยมแต่เอ ก, เ, อกเทวนิยมนั้นแห่งปัญหายานนาจารย์ของโลกออกไปข้างนอกจากตัวจึงได้พยายามคบปัญหาว่าสมุทฐานของโอกาสโรกมาจากอะไร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 ไม่ว่าจะเป็นชนชาติในเอเชียยุโรปหรืออเมริกาหรือสวีเดนก็ตามเท่าที่มีมนุษย์สมัยยุคเปิดจำาลยังอยู่ความเห็นในข้อนี้ว่าโลกจะต้องมีผู้ผู้สร้างโดยเอาความรู้สึกง่ายๆอย่างความรู้สึกของคนว่าบ้านก็ต้องมีผู้สร้างฉันใดโลกก็ต้องมีผู้สร้างสำหกับให้มนุษย์อยู่ฉันนั้นความรู้สึกง่ายๆไปตั้งกันแค่นั้นเมื่อชาวพุทธประสบปัญหาในข้อนี้เขาจัดปัญหาว่าถ้าโลก ม, มีผู้สรางแล้วโลกเกิดจากอะไรในฐา น, นาที่เราเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาเราก็ต้องต่อบไปว่าปัญหาเรื่องโอกาสโลกนั่นทัศนคติของศาสนาข่านกับศาสนาเราต่างกันทัตนคติในศาสนาของเรานั้นไม่ต้องการจะไปเสียเวลา ค, คิดปัญหาอุบัติการณของโอกาสโลกเราถือว่าชีวิตของมนุษย์เราที่เป็นโลกโลกหนึ่งปัญหาทัง้งทางที่ชาวพุทธเรา ค, คิดก็คือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ เราไม่ต้องเสีเวลาไปกบคิดปัญหาเรื่องโอกาสสุรุกมาจากอะไรแต่เมื่อท่านยัดเยียดจะให้เราชาพุดพยายามตอบว่าโอกาสสุรกมาจากอะไรแล้วเราก็มีทางตอบได้ว่าลักษณะการของโอกาสสุรกนั้นมาจากจุดที่เป็นอ น, นันต์จุดที่เป็นอ น, นันต์ทาให้ตอบอย่างนั้นเพราะจุดที่เป็นอ น, นันต์น่ะตรงกับหลักวิยทยาศาตรวิวัฒนาการของส า, ากลจักรวาลทางไตรารถ้ามองจากพัฒนาของวิยทยาศาสแล้ว ไม่มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายแคจุดป้้งต้นของสาคนจักรวาลจะหาไม่พบในศาสนาของวิทยาศาสตร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองเป็นวงจรอันนี้ก็ตรงกันหลักวัตถุสงสารในพุทธศาสนาเมื่อถือว่าทุกสิ่งอยู่ในวัตถุสงสารแล้วอะไรเป็นเบื้องต้นเราจะหาไม่พบเลยเพราะมันเป็นวงกลมจะไปชี้จุดไหนกรอ่ไหนอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นได้ทั้งนั้นหรือจะไปชี้จุดไหนเปลอกไหนอันนั้นก็เป็นศูนย์กลางได้ทั้งนั้น คล้ายๆว่าเราเชื่อว่าโลกกลมอย่างเนี้ยถ้ามีผู้ใดมาถามบอกว่าถ้าโลกกลมแล้วศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนที่ตรงไหนตรงนั้ก็ไปศูนย์กลางของโลกเพราะโลกนกลมจึงมีเรื่องขำขันเกิดขึ้นในสมัยอรัชกาลที่สามที่สี่ที่วัดระฆังมีพวกฝรั่งบาดหลวงไปลองภูมิสมเด็จพระพุทาจารย์โตธรรมรังศรีวัดรคฆังถามบอกว่าอ่ า, าัศนะในพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกแบนหรือโลกกลม ตอนนีพุทธาจารย์โตทางเกาะบอกกับบาตรหลวงคนนั้นว่าทางพวกเราถึงว่าหลกลมถือว่าหลกลมอาบาตหลวงคนนั้นก็ถามบอกว่าทะลกลมแล้วศุนกของโลกอยู่ที่ไหนผมเด็กท่านก็ปาไม่ทาบนข้างลงมาจากกุฏิแล้วก็ปักรงดินหน้าบันไดกุฏิท่านเพราะสุน嘎ของโลกอยู่ที่หน้ากุฏิของท่านี่แหละว่างั้นบาตหลวงน่ะหัวเราะนาชอบใจหัวเราะแล้วคิดถึงเออจริงของท่านด้วยเพราะว่าถามว่าหลกลมแล้วที่กรงนั้นมันก็ไป็นสุนา แค่เราเอาผลต้มมาผลหนึ่งอ่ะหรือว่าเอามะนาวมาสักขนหนึ่งเราเอาเข็มไปขีดตรงไหนแล้วลองลากเส้นสิลากเส้นไปร อ, อบๆสิในที่สุดจเส้นหลักนั้นอะ่ะก็จะมาสู่ไ้จุดตั้งต้นได้เพราะมันก็มเพราะฉะนั้นศูนยกลางโลกก็จะที่จุดหมายของจุดตั้นเป็นศูนย์กลางได้เพาห็ว่าโลกกลมนะครับนี่คนโบราณยุคร้อกว่าปีมาแล้วก็ยังมีทัศนะติท่าทายกับคนต่างศาสนาที่มาลองภูดลองปัญญาอย่างนั้นที่วัตรคังเพราะฉะนั้นถ้าพวกนักเทวานิยม เขาพยายามเ้นขอดชาวพุตถามบอกว่าโลกเนี่ยเอามาจากไหนโอกาสโลกนี่มีมาจากไหนล้วนๆมาจากจักรวา น, น, นเพราะว่าทัศณคติทางพวกจักรวิทยาสารและวิทยาการทางอวกาศตรงกันในข้อติว่าจุดตั้งต้นของส า, ากลจักรวาล น, นี้ไม่มีขอบเขตหรือสิ้นสุดพระคนจั ก, กรวาลมันเวรงว่างจะเอาปีมาประมาณก็ไม่ได้เอาเวลาเอา อายุขัยอะไรมาประมาณก็ไม่ได้โลกมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเป็นวงกลมที่วยอันนั้นจุดตั้งต้นจุดเบื้องปลายของมันเบื้องต้นก็ไม่ตตากรเบื้องปลายก็ไม่ตรากฏเนี่ยถึงจะติดตามเรื่องฤิ์อภินยาอะไรก็ตายเปลาอย่างโรจิตตระเทวบุตรที่ได้ทูลกับพระพุทธองค์ว่าใน่าติตัวเป็นฤทศีดิชาตอภิญญาจิคทิเหาเพื่อจะไปสอบสวนต้นต่อของโลกกระสีสุดของตะบนจักรวาลน่ะ ทั้งๆ ท, ที่มีอภิญญาเหาะได้เร็วอย่างนั้นยังไปตายตายที่ทางนั้นเองไปไม่ถึงที่สุดของตะคนจั ก, กวาลหรือพ่เพ่งโลกไปในภายนอกทําเป็นโอกาสโลกเพราะฉะนั้นเราย้อนถามเขาเป็นสตรีกุศลบอกว่าเมื่อพุทธาศาสนามีทัศนะในเรื่องว่าวัาตถุสงสารมาจากจุติอนันต์อย่างนี้แล้วขอถามท่านผู้ถามหน่อยที่ว่าทัศนะของพุทธาศาสนากับทัศนะของท่านนะ อันไหนที่เข้ากันได้กับหลักวิชาอาวกาศกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้อันไหนจะขัดแย้งกันลองถามเขาดูถา้าเราเราพิจารณาด้วยความคิดธรรมแล้วก็วจะเห็นว่าหลักการในพวกศาสนาเนี่ยเข้ากันได้กับวิทยาการทางอาวกาศกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าพวกศาสนาในโลกที่ได้กล่าวมาถึงเพราะพระพุทธองค์ได้ใช้าคาว่ า, านาปุสโกติตั้งซาติเมื้องต้นของวัสสาะไม่ปรากฏ เปื่อกไม้ก็ไม่ปรากฏเพราะตับที่พระองค์เพ่งเนี่ยไม่ใช่โอกาสโรกนะครับไม่ใช่วัตถุที่เป็นร่างร่างกายยาววานหนาคือมันเป็นสังขารโรกคือชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งไม่ใช่โอกาสโรกภายนอกเพราะฉะนั้นวิทยาการทางโลกกระทัดในพุทธศาสนาเราจรึงควรภูมิใจว่าหลักการของเราเนะี่ยไม่ได้ล่าหลังเลยเราได้คน้นพบจุดข้อเท็จจริงนี่ตอนวิทยาศาสตร์จะเจริญถึงสองพันกว่าปี ในสมัยที่นักวิทยาศาสตร์ของยุโรปในสมัยกลางทีพยายามคิดค้นว่าโลกนี้เป็นผลกลมแล้วก็มีวัฒนธรราการมาจากหมอกเถิงซึ่งแตกมาจากดวงอาทิตย์มันเป็นหมอกเถิงใหญ่หลักการนวิทยาศาสตร์ในยุโรปสมัยกลางเมื่อคิดคนอะไรขึ้นมาทฤษฎีเหล่านี้จะต้องถูกบงการทางศาสนาในครั้งนั้นในยุโรปครั้งนั้นขัดทานและพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะถูกเอาตัวไปลงโทษ ถ้าถิ่งทหารชีวิตผลตะลังแก่ด้วยวิธีเผาไฟตายทั้งเป็นบักด้วยวิธีแขวนขอบักพู้ภาสาบอกคือพระบัดหลวงในผู้ภาษาในฐานะที่ว่าได้แสดงทัศนะขัดแย้งต่อข้อความในคัมภีร์ไบเบิลแต่ปรากฏการอันเป็นจุดดังท้อยเช่นนั้น่ะไม่เคยมีในประวัติภูตศาสนาเลยไม่ว่าจะเราจะิกดูหน้าหนับหน้าใดแผ่นไหนประเทศใดไม่เคยมีที่เป็นเช่นนั้นก็บประวัติภูตตาศาสนาไม่จําเป็นจะต้องกระทาอย่างนั้น เพราะในเมื่อหลักการของวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเองก็มาเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าวิทยาศาสตร์ทิ่เจริญมากเท่าไรก็เท่ากับเป็นสักขีพยานต่อความต่อตรู้ของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นอันนี้เราในฐานะเป็นนักเผยแผ่ก็ควรจะูกใจชาวบ้านโดยเฉพาะคนชันนักศึกษาให้ตรำหนักถึงพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็พูดในคานองควรจะมีโรปรพาร์ด้าบังเล็กน้อยคือพูดบอกว่าเราจะหาศาสตราตาองค์ไหนที่มี ทศนาไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์อย่างผูจศึกษามีไหมถ้าไม่มีเราก็ควรจะภาคภูมิใจแล้วที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธไม่ต้องเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือกลมด้อยบ่าต่อแสดงเราเนี่ยมีข้อคิดขังคืบที่ไม่สามารถเท่าทังวิทยาศาสตร์มิ่งต้งตั้กับเป็นปรปักษ์กับวิทยาศาสตร์อันนี้เราควรจะปลุกใจอผู้ที่มาฟังเราเลุ้ยแผลในหมู่คนเหล่านั้นถ้าเขาเป็นคนชั้นนักศึกษาอยู่ด้วยควรจะชี้เห็นข้อเท็จจริงในกรณีอย่างนี้ แล้วเราบาคนไม่ใช่ปฏิบูชาถา ม, มาพูกขีดมาพวกนักเทววิทยาในเมื่อเขาอ่านว่ามีพระเจ้าฝูกฝังแล้วเทคนิคในการวิทยาใช่ปฏิบูชาถามก็อข้อหนึ่งว่าถามว่ามีพระเจ้าฝูกฝังพระเจ้าเป็นเหตุของโลกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถ้าเป็นเหตุของโลกแล้วอันใดที่เป็นตัวเหตุแสดงว่าอันนั้นจะต้องเป็นผลของเหตุอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหลักของตรรกวิทยาหรือหลักรอจิกนะหลักรอจิกซึ่งโลกในทางวิทยาการรับรองแล้ว สิ่งใดที่มันสามารถเป็นเหตุให้เก <sk> ิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นผลมาจากเหตุอีกอันหนึ่งนะสิ่งใดที่มาเปสิ่งใดที่เราถือว่าเป็นผลสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุซึ่งนั้เป็นตัวเหตุสิ่งนั้นต้เป็นผลมาจากเหตุอีอันหนึ่งยอกย้อนซับซ้อนเลิขับไปกีลาชั้นกีลาชั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมนี้น่ะทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระนิทานนะ้นจากเหตุและผลอันควรไม่ใช่เหตุแต่เหตุผล ้วถ้ า, ย, า, ายังพันิยานือว่าเป็นผลอยู่คือ พ, พันิยานว่าเขาเป็นผลของมากแล้วนะ พ, พันิยานต้อไม่เสี่ยงเพรสิ่งใดเป็นผลอันผลมาจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องสา ม, มาจะเป็นเหตุให้เกิดผลอีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกับสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นผลมาจากเหตุอันหนึ่งยอกย้อนับซ้อนกันเข้าไปเหตุนั้นเมื่อพระพุทธองค์จะแสดงเรื่องนิพพานธรรมแล้ว ระองจิงยกว่านิทานนั้นน่ะพ้นจากความเป็นเหตุและพ้นจากความเป็นผลนะฮะามัคคิตเป็นเหตุผลกิตเป็นผลของมัคแตพนนกิจรร เ, เ, เป็นเหตุพลกิจเป็นิลของมัคแพกิจเป็นเหตุโพลกิจเป็นผอมคแตพกิจเป็นเาตุโพลกิจเป็นิตขังมัคแติกิจเป็นเหตุโพลกิจเป็นผลของมัคแตพกิจเป็นิหานโพิเป็นผลของมัคแตพกิจเป็นเหตุโพลกเราแสดงกับพกิจเะในเหตุโพลกิจเป็นผลของมั้แตพกรจเว่าพระิจ้า็นผล่องมัคแเป็นเหตุโลกแล ไม่หลักทางโลจิกคือปรัชวิทยาอันเป็นวิทยาการว่า <American> ด <Hebrew> ้วยเหตุผลพระเจ้าก็คือผลของเหตุอีกขันหนึ่งถ้าจะยอมรับไหมเขาบอกไม่ได <oughs> ้ไมยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้ถ้าท่านไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีใครสร้างได้พระเจ้าก็เป็นเหตุของโลกไปด่าเพราะว่าในคำพูดสังเวยให้บอกพระเจ้าในเป็นเหตุเป็นผู้เป็นเหตุเป็นต้นเหตุของโลกเพราเป็นผู้สร้างผู้รังสิทถ้าอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องยอมรับโดยปริยายสิว่าพระเจ้าเป็นตัวตัวผล คือมาจากเหตุที่ขั้นหนึ่งถ้ายอมรับไม่เล่าเรายืนยันครั้งนี้และเรื่องคำว่าเหตุจะผลเหตุกับผลี่ยืนยันเขาแค่ไหนคํานี้กับเขาถ้าเขาบอกว่าไม่ยอมรับถ้าม่ยอมรับขัง้งข่านก็ต้องมายอมรับเหมือนกันว่าพระเจ้ามเป็นผู้สัางกคือไม่ได้มีเกี่ยวมีเยื่อใ ย, ยเกี่ยวดองอะไรกับโลกเลยถ้าเอาพุทพระเจ้าไป็ผู้ให้กำเนิดโลกแล้วผู้พระเจ้านั่นแหละจะต้องเป็นผลของเหตุอย่างนั้นหนงเหตุอนนั้นคืออะไรละ่ะแสดงว่าพระเจ้ามันจะเป็นผู้สรพพัญยูหรือเป็นผู้สัพสิสเพราะมันยังต้องเหต ลี้ลั อ, อีกขั้นหนึ่งต่อมานั่นก็คือพระเจ้าจะต้องมีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันเขาบอกพระเจ้าเกิดเท่งได้มันยังไม่ต้องอาศัยเทพอาศัยฝนหากเช่นนั้นทําไมขื่นจะยอมรับทฤษฎีทางพุทธลาวังไม่ได้เพราะโลกเกิจดจากนักฒนการเกิดจากธรรมดาเกิดจากเพราะเขาไม่ใช่คําว่าธรรมถิปิธรรมนิยามเนี่ยโลกเป็นธรรมถิปิธรรมนิยามโดยไม่ต้องมีเขามือพระเจ้ายื่นมือมาเกี่ยวข้อไม่จําเป็น ถ้ไม่ท่านยอมรับไม่ได้ท่านติดกับคัดขันพวกเราชาวพุทธในข้อติวะหาว่าพวกเราชาวพุธเนี่ยรู้จักแต่ผลไม่รู้จักเหตุนะเพราะว่ า, าโลกจะเกิดเองไวลอไม่ได้แต่ตัวท่านเองนะต้องกำลังจะรู้จักผลด้รู้จักเหตุเหมือนกันถ้าหาว่าท่านจะยอมรับพระเจ้าสืบมาจากเหตุอันหนึ่งแล้วชาพวพุทธยอมรับเหมือนกันว่าโลกนี้จะต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่เบื้องหลั ง, ลงแต่หาก็่ท่านไม่ยอมรับพระเจ้าสือมาจากเหตุอันหนึ่งเป็นผู้เกิดเองได้แล้ว เราชาวพวกกุทธถือว่าโลกนี้เกิดโดยหลักธรรมดาคือหลักธรรมติปธรรมนียามตาดาเอ้นตับฉะนั้นท่านจิ้งจิ๋คุณนี่จะมาตั้งข้อกล่าบประว่าิหักล้างจู่โจมเราชาวพุทธหาว่าพุทธศาสนาเรานี่ไม่รู้จักพระเจ้าผูกสั่งเรารู้จักพระเจ้าผูกสร้างมหาวายจะมีแล้วพระเจ้าผูกนั้นคืออภิชาในฐานะที่ว่าอภิชานีิเป็นบอ่อเกิดของชีวิตของความของวัฏจักรของความดวงวิ ญ, ญญาณที่คมเวียนบ่ายตายเกิดอภิชา ถ้าฐานข้าพเจ้าจะมีอยู่ฐ า, า, านะข้าพเจ้านั้นชาวพุทธถือว่าเป็นอาวิชาซึ่งไม่ใช่สําหรับหน้าที่เราชาวพุทธต้องมาอ้อนวอนบูชาตรัวันข้าเราชาวพุทธถือว่าอวิชานี่เป็นตัวที่จะต้องถูกทําลายไปเพราะเป็ น, น, นาาก้นเงาแห่งความทุกข์นานักประการของตั ต, ตว์โลกทิฏฐิขั้นสรรเสริญยนยอผู้ที่สร้างโลกให้กับผักคือสร้างโลกโลกคือความทุกข์ข้าเจ้าผู้สร้างโลกนัะได้สร้างโลกขึ้น ยามไทยคว้าขาสุขสมบูรณ์ทุกประการหรือหรือว่าสร้าทั้งความทุกข์มาให้ด้วยถ้าโลกนี้มีแต่ความสุขหารมไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็น่าจะอภิรม์ชื่นชมสดุดีพระคุณของพระเจ้าหรอแต่ตรงกันข้ามโลกนี้ไม่เคยมีสิ่งที่น่าอภิรม์อยู่ทุกเมื่อเชื่อยางนะประเดี๋ยวแผ่นดินห้ายจะดย้นรบาบฏนี่ความทุกนาลัตการของมนุษย์โลกใครใขรเจ็ดใครส้างมาใครบรรลั สิ่งนั้นมันจากอะไรนี่เราถามอย่าง น, นี้เพราะฉะนั้นเราถาพวกที่จะไปอ้อนวอนกราบไหว้ท่านผู้ที่บรรดาลให้มีโรคภัยไ ข, ไขเ้เจ็บให้มีโรคติดต่อให้มีอันตราให้มีตัวโรคพารพิษโรคจับตันให้บันดาลในแผ น, นดินไาวให้บรรดาลในน้ําพวกเราไปกราบไหวไม่โรงคอหรอกท่านผู้กับําบันดาลอย่างนั้นก็ทำสาวไหว้ในโลงคอนี่เพราะฉะนั้นทศนาเขาถามพวกพระเจ้าก็คืออวิชชาพระเจ้าในฐานะฟังโลกก็คืออวิชชาอวิชชาคืออะไรคือวางโลก ความสัญญาณความไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ซึ่งเป็นสิ่งหยุดแรกที่นักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสน า, าจะต้องกำจัดไปเรามีวิธีต่อต่อไปนักวิทยานักเทววิทยาอย่างนี้ในที่นี้ผมอยากจะเสนอหนังสือที่มีค่าเยี่ยมที่ถ้าคุณเจ้าทุกทูกควรจะมีประจำยานทุกเล่มทุกทุกทกทุกย่านไปในกรณีจะไปต่อต่อวกนักเทววิทยาเขานะ ผู้บาดหลวงผู้มิชนรนี่แสต์ศาสนาถ้าจะมายัาง่งยีคุณจะสอตว์าสนาโดยมาทาโบวาพีหรืออะไรแล้วเราควรจะมีหนังสือคู่มือเล่มนี้คูกนี้นิมนต์ไปซื้อตัวที่ว่าหมาท่านนี่แหละตอบปัญหาหรือพระผู้ชื่อหนังสือว่าตอบปัญหาพระผเ็เจ้าโดยพันเอกอินเตอร์โซนทีมาจุฬามาค้องจำหน่ายหนงสือหมาจุฬาจะไป่ฟุ่มจหน่ายเล่นเก็บปาควรจะมีทกเล่อยู่กับตัวและนิมนต์พยายามอ่านสักสามจ อย่างจเดียวอ่านแค่สามจบก็จะประทับใจจะได้จาำมาไว้แล้วอันนี้ต้องจักตัลเม็ดเม็ดาที่จะไปปวกพวกนักเทวคติยารับรองไย ห, หลังตึงเลยโดนขอกวางนี้เป็นโซนไม่ต้องตัวเข้าก็ตัววากีไม่ต้องตังวตอบปัญหาพระผู้เป็นเจ้าครับชื่อหนังสือว่าตอบปัญหาพระผู้เป็นเจ้าโดยทันเหตุอินเตโซนทันเหตุินเตอร์โซนนี่เป็นชาวอเมริกันเป็นลูกหม อ, อสอนศาสนาชาวอเมริกันแล้วต่อ แต่เมื่อือเรื่องนี้ขึ้นคัดค้านข้อความในคำพีไบเบิลบั้งแต่หน้าต้นก็ตั้งหน้าสุดท้ายแล้วข้อความที่คัดค้านนั้กลับมานสนับสนุนทฤษฎาศาสนาโดยปริออยายทัานผู้ดีแรไม่ได้รับถือพุนะและแกไม่มีความรู้ทฤษฎาถถถศาสนาเลยแต่กากเป็นนักเหตุผลนิยมแกบอกว่าแกรับถือศาสนาที่สเปลี่ยนไม่ได้ข้ออะไรและแกก็เอาเรื่องข้อความในใบเบิล น, น่ยขึ้นมาแฉโปรยทีละข้อทีละข้อทีละเปราะทีละเปราะทีน่ะว่าใครแปลก็ไม่รู้ ผู้แปไม่ได้ใช้น้ำไม่ไม่ได้ออกชื่อออกเสียงไม่หนังสือเก่าที่มาตั้งสามสิบกว่าสี่สิบปีแล้วแล้วต่อมาในในงานเ อ, อฉลองสมณะศาสตร์ของท่านเจ้าคุณราศมิสุติเมธีเกี่ยวอุปเสโนโซึ่งเป็นพระอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณเนี่ยอ่าก็มีบรรดาพระนักศึกษาพิมถวายแสดงเป็นการแสดงมุทิตาคารวะแล้วก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยจําหน่ายนี่จําหน่าย นี่มนคุณไม่ซื้อว่าว้นะครับเลยมีขาไม่ได้นะเราจะปจออกกาเป็นักสูต่อประกุเต้นะสารเราซื้ล่ม น, นี้มันจะได้รู้เ่าทันกุลเม็ดเด็ดไครับว่ามียังไงบ้างนังสือเล่ม น, นี้เนี่มันจะชาวพูดเขียนพูด่าคิดเขาเขียนปรณาผูนน้อ่าเขาเองอไม่ได้เกี่ยวกับพว้เราเลยนี่เป็นคาพูดที่ยุติธรรมที่สุดเอาถ้าหาว่าเป็นคนต่างาศาสนาอื่นเขียนมันก็หาว่าเราเียันาศาสนาตัวอันดับหนึ่งดีแต่ก็ยกว่องตากนะตัวดีตากนะอื่นเลวแต่นี่มป็นยังไงนี่มีคนในศาสนาเขาเองเขียน เขไม่พอใจในศาสนาปัพจุบันเขาเริเห็นขึ้นแล้วตัวคนนั้นก็เหมือนได้นักถือศาสนาแต่ตายในโลกด้วยเป็คนนั้นเขาบอกว่าเป็นนักเขียนพนิยมเราต้งควรจะมีประจักนะตรงนี้มีมุมในซื้อฮะตอนนี้เราโม้โม้มาอีกโมไมาในข้อที่ว่าเมื่อแสดงในเรื่องของโอกาสโลกก็เป็นอย่างนี้แล้วชีวิตสังขารละโลกโลกคือชีวิตในหลักข้อศาสนาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ย หลักในข้อนี้มีข้อที่สาคัญก็คือว่าคําว่าอวิชชาคนมีท่านผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตที่ใครๆก็รู้จักชื่อเสียงแบบนี้รั่วลับไปแล้วท่านแปลบอกว่าอวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เอาแปลอย่างนี้เข้าใจติดนะถ้าอวิชชาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วพอพระละอันก็ดับในสิ่งซึ่งพระอะอันก็ไม่รู้ว่าอะไรดับอะไรก็ไอ้ที่ไอ้ที่ดับคำวิชาก็ฉันก็ไม่รู้ว่าไงฉันดับอะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้ไม่ได้ คำวิชาไม่ได้แปว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นนั้นแต่อ่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณนั้ไม่ใช็งร่งแล้วครับให้เอ่ยชื่อก็ดด้คือคุณรู้วิกฤตวาตตาลแล้วแหะเกิดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้แปลอย่างนั้นคำวิชาไม่ได้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้อาวิชานี่ยนะไม่ใช่ไหมผมไม่รู้อะไรเลยรู้รู้กันคือว่ารู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกสภาวะนั่นแหละอาวิชารู้ไม่ถูกสภาวะ รู้ว่าไม่รู้ยกตัวอย่างนะฮะผมจำํามือไว่าจำนี้เนี่ยแล้วท่านถายท่านรู้ไหมว่าในกคำมือผมมีอะไรท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ร้ารู้ไหมฮะคือรู้ว่าฉันไม่รู้ไม่รู้ในนี้มีอะไรไม่ใช่ประว่าอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกกับตัวสภาวะไม่เป็นความรู้อวิชชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับสภาวะตามเป็นจริง ไม่ใช่ภาวะไม่รู้อะไรทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคาว่าอวิชาปัจญาสังขาราในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจคําว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีสัพ์เทคนิคในทางธรรมะทีนใช้ของคํำนะปฏิจจตาพัแธ์ธรรมอันหนึ่งปฏิจจตาพันธะธรรอีกอันหนึ่ ง, ปปรรอนนงของอันเดียก เพรอขอเหตุปัจจัยเกิดขึ้นปฏิจจาระวุุ ป, ปาฐะนี่คือทอันประทังประชุมทำอันอาศัยความประชุมพร้อขอเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ชื่อว่าปฏิจจากสมุปปาฐธรรมส่วนปฏิจจากสมุ คุมพร้อมแล้วเกิดขึ้นอายุตัวอย่างเช่นอวิชาเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมสังขารเป็นปฏิจจสมุปปัญธรรมไในขณะเดียวกันสังขารก็เป็นปฏิจจสมุปปาธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุตปัญธรรมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปาธรรมนาำรู้เป็นปฏิจจสมุปปัญหาธรรมแปลว่าปัาจจยาการทาั้ง12อ ง, องุ่น呐 ปฏิจจสมุปบาทธรรมด้วยเป็นปฏิจจสมุปปนนธรรมด้วยในตัวข อ, อ, เ, อเป็นอย่างนี้ถ้าว่ายังประเด็นที่ผมพูดว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งนั้นันก็เป็นผลในตัวมันเองซึ่งเกิดจากเหตุอีกอันหนึ่งนี่ตรงกันหลักอันนี้แหละตรงกันหลักที่ว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมจะปฏิจจสมุปปนนธรรมตรงกันอันนี้เพราะฉะนั้นคําว่าอาวิชชาปัจญยาสร้างข้าราในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีแต่อความไม่รู้อย่างเดียว หรือหมายความว่ามีเหตความไม่รู้ก่อนถ่ายหลังกินมามีินปฏิพันธ์ที่วิญญาณไม่ใช่ใน้อยขณะที่ปฏิจจสมุทโบบาทเริ่มต้นที่เอาวิชานั้นอะไรไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้สภาวะตามเป็นจริงอะไรละ่ะสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือจิตนี่แหละจิดสิตน่แหละจตหรือวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่รู้สภาวะถูกต้องตามเป็นจริง ก็แปลว่าในเงื่องส่วนของปฏิจจสมุ ป, ปาบปาทนั้นมีคำา่าอาวิชาแต่ว่าใอาวิชานั่นแหละมันท อ, นอดทอาอะไรขนาดาที่กล่าวถึองอาิชาขนาดนั้นต้องหมายถึงองค์ธรรอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติาที่เป็นประธานธรรมชาติาที่เป็นประธานอาวิชามันจะเปลี่ยนได้เป็นกิริยาเป็นกิริยานะครับกิริยานี่ยจะต้องมีกามกาะ สึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิริยานั้นรัตนะไม่ได้แก่อะไรจิตเพราะว่านี่แหละไม่เกิใครเพราะว่างกจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเพาว่างนี่แหละเป็นตัวที่พุ่มเป็นตัวที่เป็นตัวที่โอบอุ้มอวิชชาถ้าจะวะทางธรรมะย่ำอวิชชาอวิชชาเป็นเจตสิกกรรมโมหะเจตสิกเป็นโมหะเจตสิก อ, อวิชชาเนี่ยเป็นเจตสิกกรรมเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเจตสิกจะทำแล้วในที่ใดมีเจตสิกะในที่นั้นก็ต้องมีจิตเจตสิกจะเกิดขึ้นโดยปรากจากจิตเป็นประทัดฐานไม่หยอ่อนเหตุนั้นท่านจึงได้วิเคราะห์คำว่าเจตสิกว่าเอกุปปาพานิโรธาจากเอกลังคณวัตุกาเจโตยุตตาเะวิปัญญาสะธรรมาเจตสิกามาตาเอขุปปาทานิโรธาจะเ ก, กิดขึ้นกระดับไป องเดียวกันคือเกิดเกิดพ่อกะจิตดับก็ดับไปพ่อกะจิตเจตาลังคณนะัตถุกามีอ า, ารมณ์อันเดียวกับจิตเจตุยุตญาดวิปัญญาสัพพมยุตจิตห้าสิสองดวงทมีปัญญาตธรรมาเจตสิกามาตาเวลาจะตายสบายช้อปไปจิต ด, ด้วยนี่แหละชื่อว่าเจตสิกกะทัพนีเพราะฉะนั้นว่าวิชาอันเป็นเรื่องตัวของวัตถะเป็นโมหเจตสิก ผมครอบเข้าในอกุศลเจตสิกแล้วจะมีเอาเจตสิกธรําเฉยๆไม่ได้จะต้องมีองค์ทําให้ที่เกิดของโลกในเจตสิกนั้นองค์ทํานั้นคืออะไรคือปวังประวังขจิตเพราะเหตุที่ในประวังอันมีสาวะโอกระทหรือปากปันจระทําเป็นเครื่องเป็นฟ้าเป็นเหมือนน้ํำฝาดเข้ามาย่อเหตุนั้นจึงได้ปรุงแต่งภพชา ให้ซื้อพบตื่นชาติได้ต่อไปตามหลักของตำราท่านอธิบายคําว่าอาวิชชานะได้แก่ความไม่รู้ในอารยศัพท์นะฮะแล้วก็ความไม่รู้ในกรรในความเป็นไปของสัตว์ว่าในฮะดีปัจจุบันอนาคตชื่อเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะฉะนั้นผู้ที่ผู้ที่จะทําหน้าที่ไม่รู้ในสิ่งเหล่าเนี้ยผู้นั้นก็คือจิตจิตนี่แหละผู้ที่ไม่รู้ ถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชามาจากอะไรล่ะถ้าจะสืบหาต้นตออวิชามาจากอาสวะอาสวานางสมุปปาดาอวิชายะประวัติศีเนี่ยเาเหตุแ่งความเกิดของอาสวะอวิชาจึงได้มีพฤติพฤติกรรมเป็นไปแล้วท่านบอกไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกเกิดของอวิชาคืออาสวะอวิชายังมีต้นกําเนิดคืออาสวะ ลาสวามันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากจิตต์สิเพราะว่าอาสวะนักแปลว่าวเครื่องหมักดองมันจะหมักดองอะไรล่ะก็ต้องหมักดองในพื้นจิตจิตเนี่ยเป็นอุปม า, ว, ม ว, นะาว่าจิตเน่ยเหมือนก็ะขวดนะอาสวะเหมือนน้ํำในขวดนั้นเป็นน้ํามหมักน้ําดองในขวดนี่ถ้าจะเปรียบอันประกอบด้วยกามาสวะสวาสวะอิพาสวะแล้วยังมาลงตัวอวิชาสวะอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องต้นของวัตถะท่านจะเป็น สาวเราเลิกไปแล้วก็อยู่มาลงที่จิตนี่แหละเพราะจิตมีอัญญาณประกอบด้วยสามโมหะคืออวิชชาจึงได้ปรงแต่งสังข์ให้รงแต่งสังขารอวิชชาปัจยาสร้างท่าละจึงจะ้ปรุงแต่งสังขารสังขารในที่นี้น่ะท่านหมายเอาปุญญาดีสังขารธรรมปญญาดีสังขารนรินชาดีสังขารเอาสังขารสัก ในข้อนี้เราต้องทำความเั้าใจคําว่าเหตุกับคาว่าปัจจัยซะก่อนเหตุกับปัจจัยต่างกันอย่างไรคําว่าปจานะัจจัยหนากว้างมากกว่าเหนะตุเหตุน่ะอันหลักของพระธรรมท่านจำกัดลงเฉพาะมามาทาอย่างเดียวนะใช้่ใช่ต้องมาเหตุโนบะธรรมไม่ใช่เหตุส่วนปัจจัยน่ะใช้ทั้งโนบะธรรมนามธรรมแปลว่าปัมามาาปจจัยนะ่ะมีอนาบริเวณกว่ากว้างมาก เหได้แก่เหตุผลมีโลภะเหตุโทสาเหตุโมหะเหตุอโลภเหตุอโทสาเหตุอโมหะเหตุเท่านี้หมดเรื่องเหตุแล้วที่เป็นเรื่องเหตุถ้าจะขี้คําว่าเหตุแล้วก็ให้หมายถึงหกอันนี้อโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสาโมหะในเหตุหกอันนี้นอกหวานนั้นไม่เป็นเหตุถ้าจะเป็นเหตุก็เป็นโลกสมมุติไปไม่ใช่เหตุในพระปรมัตถ์แต่คำว่าปัจจัยนั้นกว่า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 สรุปล้ลงในปัจจัย24ประการและปัจจัย24ประการนั้นมีทั้งที่เป็นนามธรรมตรูปประธรรมหมดอยู่ในนั้นหมดมีหมดแต่ว่าข้อสำคัญ น, นั้นอ่ะอยู่ที่เหตุถ้าคนเราทำไมมีโลภโทสะโมาะแล้วที่ไหนจะมาตุ้งแต่งชาตพบที่ไหนจะมาเวียนว่ายเตาเกิดให้ไอ้เจ้าปัจจัยมาเป็นแรงสนับสนุนปั๊มเปิเมฆีหนึ่งเพราะเหตุนั้นอ่า แลื่อถ้ถอย ก, กระพงกวที่สําคัญก็มาลงอยู่ที่เอกฤทธิ์ฝังกองนี่นี่ย ส, สําคัญเหตั้งท่านจริงใช่คําว่าเหตุในที่นี้เพราะฉะนั้นเอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารนี่ได้แต่เจตนาอันเป็นบุญอันเป็นบาปแล้วแต่เจตนาที่เป็นอนเนญชานะบุญญาบีสังขารถ้าบุญญาบีสังสังขารอนเนญชาบีสังขาร ปุญญาดีสังขารน่ ะ, ะที่นี่มีมีข้อพิเศษข้องามทั้งมหาอุศลธรรมราคะตาอุสนฝ่ายรูปาวจรคือว่าในกา마วจรกุศนขอ้อหดยังค้อถึงรูปาวัจรกุศนด้วยเจตนาอันเป็นไปในกามาวจรกุศนทั้งหมดเจตนาอันเป็นไปในรูปาวัจรกุศลทั้งหมดชื่อว่าปุญญาดีสังขารชื่อว่า ชื่อว่าปุญญาพิสังขารนะครับส่วนอเนกชาพิสังขา น, น, น, น, น, าขา น, นั้นท่านหมายเอาอาลปปาจารกุศลเจตนาที่เป็นไปในอ า, าลุปปาจารกุศลเป็นเป็นอนเนนชาพิสังขารส่วนปุญญาพิสังขานัน้ น, ญญ น, น, นคือเจตนาอันเป็นไปในอกุศลจิตสิบสองดวงอันนั้นเป็นอปุญญาพิสังขารไม่นั่นคําว่าสังขารในความหมายทางพุทธศาสนาท่านก็ใช้โดยหลายในยัก หลายหลายโดยโดยโดยหลายในยักคือสังขารกว้างๆที่หมายถึงว่าสภาพตายที่ระาายเหตุปัจจัยปรุงแต่งสภาพนั้นชื่อว่าสังขารมีอั้งหนึ่งแล้วสังขารที่หมายแค่ร่นเข้ามาอีกคือสังขารในขันห้าสังขารในขันห้าน่ะทาหมายเอาเจตติกะทำ้งนอดชื่อว่าสังขารไม่กช่สังขารกว้างๆอย่างข้างนอกไม่ใช่หมายถึงเจตติกะทำสังขารในขัน นั่นคือเจตติกกรรมนะนะทั้งหมดเป็นสังขารขันยกเว้นเว้นอะไรเว้นเวทนาเว้นสัญญาความจริงเวทนาขันกับสัญญาขันเนี่ยก็อยู่ในสังขารขันนั่นแหละท่าจะว่าไปแล้วเพราเวทนากับสัญญา่ะเป็นเจตติกกรรมเป็นสัพจิตสภาาวะเจตติคือว่าตัวฉันจิตทุกดวงมีหมดเวทนากับสัญญาแต่เหตุจะไหนคนสังเเกออกมาเป็นขัน่ะเป็นสัญญาขันกับเวทนาขันต่ง รวมเป็นขันท่าล่ะก็เพราะว่าอนุภาพหรือกิจิจของเวทนาแสัญญาน่ะมีมากจิจมันแรงทําหน้าที่แรงจัดกล้าแข็งมากถ้าเวทนาทําหน้าที่เสวยสัญญาทำหน้าที่จําหมายหน้าที่มันทําน่ะมันแรงถ้าจะว่าแล้วมันก็เรียกว่าเป็นญาตามที่สอดแทรกไปทุกหน้าที่จะต้องมีมันเข้าไปด้วยเหตุที่มันจิตมันมีมันมีมากพระองค์จึงได้ยก หน้าที่ของมันออกมาเป็นอีกกองหนึ eraser. ่งเป็นเบทนาขันสัญญาขันต่างาความจริงอยู่ในกลุ่ยอยู่ในสังขารนั่นเขเป็นเจตสิกธรรมนี่อันนี้สังฐานในขันห้านี่ก็เป็นเจตสิกธทําอย่าไปชี้สังขารทั้งหลอกสังขารในขันห่านี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โต๊โต๊กระโถนใส่ปากระโถนใส่ปาโตโต๊ก็เป็นสังขารตั้งแต่แต่เป็นสังขารสังขานในไตรลักษณ์คือเป็นสังขารกค่นี้คิดดีกว่า ฝ่ายปัดใ จ, จปรุงแต่งก็ต้องแบกดับแต่สังขารในขันห่านานะ่ะรุน่นนั่นกว่าสี่รุ่นแค่ประมาณท่านต้องเกณฑ์ตัดสินกระทำส่วนสังขารในปฏิกิสมุประบอกนั้นหมายเอาเพียงเจตนาอันเป็นไปในฝ่ายกามาวจรลูปาวจรฮลูปาวจรเกตนาที่มีกิเลสเป็นประทับสถานเจตนาที่มีกิเลสเป็นประทับฐานนะเราบอกว่าจำตําเหตุมาจากเจตนาพูดอย่างนี้เป็นเยภูยไนเป็นเยผูยไน เราถ้าจะพูดในกระชับกระชับเราจะต้องพูดกับว่ากรรมใดที่เกิดจากเจตนาอันโหดอนจะโหร้อในกิเลสการจึงจะเผ็ดผลคือวิบากเพราะทัพยที่เกิดจากเจตนาลําพังเจตนาอย่างเดียวไม่แน่จะเผิดผลเป็นวิบากเสมอไปเพราะอะไรเจตนานี่ก็เป็นสาทานนี่เป็นเกตติสาทานเอไปเจตติกรม้ภาริยาบุคคลว่ารานก็ต้องมีเจตนา ไม่มีไม่มีเจตนาจะทำถูกหรอกอย่างเช่นถาอรหารเนี่ยท่านจะไปช่วยเหลือเขาจะประเทศโปรดใครท่านก็ต้องตั้งเจตนาไปก่อนว่าจะประเทศโปรดคุณคนนั้นจะไปเทศตอบคนนั้นไม่เจตนาไปก่อนถ้าคนเราจะอาว่าโอ้นี่เจตนางั้ว่าอาหันก็ยังมีกรรมมาสิกรรมเขต้องไม่มีบาปไม่ได้เจตนาใดที่สรอระคดด้วยกิเลสตัณหาเจตนานั้นจึงอันดุลเหตุผลคือวิคือวิบาก ถ้าเจตนาใดไม่ส่อรักด้วยกิเลสปัญหาแล้วเจตนาอันนั้นก็เป็นอภิยากตะดังคลางอภยากรเป็นกุศนอกุศลไม่ได้เนเพราะฉะนั้นเจตนาในสังขารในปฏิจจสมุปบาทในที่เนี้เราต้องย้ำกระชับลงไปว่าเป็นเจตนาอันเส่อส่อรคตไปตัญหาอันเป็นไปในรูปะในกาลมาวจรูปาวจรูปาวจรูปาวจรวจท้งหมดเน่น อันนี้ถึงจะเป็นเป็นเป็นเขาวิชาปัจจยาสร้างข า, าราและสร้างข า, าราปัจจายาวิญญาณนั้นถึงถึ ง, ถ, งถึงจับเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณได้วิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเขาว่าสังขารในปัจจัยให้เกิดวิญญาณในที่นี้อะ่ะหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเหตุนั้นท่านจึงจับเอาเอาวิชาจับสังขานไปนเป็นอตีตอาอัตาเป็นอตีตอาอัา คือว่าเป็นอดีตเป็นองค์ธรรมของอดีตนะเรามีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่ในภวังเป็นเหตุให้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดขึ้นจากภาวังมาสวยอารมณ์ทางทวารหนแกในขณะที่มมาสวยอารมณ์แล้วเพราะอำนาจปัญหาโสตปะคือข้อสอบปัญหาที่ว่าปัญหาโสตปะกระแสน์ปัญหาเนี่ยถักดัน เมื่อทําอะไรประสบอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจและที่เป็นกลางๆลางก็เกิดเหตนาอันเป็นตัวสังขารอันเป็นไปในฝ่ายปุญญาทีสังขารและปุญญาทีสังขารหรืออเนชาทีสังขารเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาศัย ส, งสังขารและสักองนี่แหละเป็นผู้พรุงแต่งให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นปฏิจจสมุปบาทระที่สามคือสังขารปัฏิยาวิญญาณคือตัวปฏิสนธิ ปฏิสุลที่วิญญาณโดยตรงธรรมดาตัวปฏิสุลที่วิญญาณถ้าเอาว่าเป็นไปในฝ่ายกามาวจรพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพบที่เป็นอตตออาศัยขราภูชากําเนิดเรามอธิบายถึงโอปปาติกะละเพราะเราจะอธิบายถึงภูมินุษย์เห็นกันง่ายหน่อยอันเป็นส่วนขราภูชากําเนิดในส่วนนี้ปฏิสุลที่วิญญาณจะเกิดต้องอาศัยกรัชกายกรัชกายนั้นก็คือตัวกรลารูป อันเป็นปฐมตาละละน้ำเชื้อของบิดามารดาในปฐมกาลละร่างกายของมนุษย์ในชาลาภุชากําเนิดนั้นร่างกายอันนี้เป็นผลของจากเลือดเนื้อเชื่อา ย, ายของบิดามารดามาผสมประสานแต่ผู้ที่คมาครองอ่าไม่ได้เกิดจากบิดามารดาผู้ที่มาครอง ล, ล่านั้นเป็นตัวของเราเองคือปิติชนที่วิญญาณไม่ขนาดที่ปิติชนที่วิญญาณอย่างลงสู่คันของมารดานั้นขณะนั้น พร้อมกับปฐมกาลเราได้ตั้งขึ้นสมานเสมอแต่ว่าท่านหลายจะต้องทราบนะครับว่าปฏิชนิญญานะไม่ใช่มาเฉพาะโบะบันเดียวมันพาเอาโลกชนิดหนึ่งมาด้วยนะเดี๋วเวลาเกิดน่ะเวลาเกิดของมนุษย์ในพันธุน์จักวาลรับนี่ได้พาอะไรมาเกิดไม่ใช่เอานามาเกิดอย่างเดียวเอารูกมาเกิดด้วยลูกนั้นคืออะไรกัมมันรู กุตชลูปนะ่ะเราหักมหาในครบปัจจุบันกุตชลูปกับอารัชรู ป, รรปมาหาในครบปัจจุบันนะครับส่วนคำวัชลูปนั้นพามาแต่อดีตภพอดีตภพกับกรงมาเสร็จรุงมาสต่ทีเดียวพระยาธิบา้าเองเห็นชัดยิ่งกว่านั้นเป็นว่าในกอจะใกล้าตายละ่นะเจ็บหนักเข้าขั้นโคมา่าไอตอนโคม่านี่พลังง า, านาวิถีเกิดแล้วพลังง า, านพลังวิถีกิจเกิดในขณะที่คากําลังเข้าโคมา่า บางคนอาจจะตอนเข้าขโคมา่าเขาได้ั้งก่อนจะตายสามสี่วันเรยกว่าร า, า, าร่าสัากเกิดนิมิตขึ้นสัพที่จะตายเนี่ยว่าจะตายโงงก็ตายรวดเลยสัปดานไหนหรือว่าไม่รู้ตัวไปถูกปุ๊บชดโครมเดียวตายก็าตามใจจะต้องมีนิมิตให้เป็นที่ยึด ภัเกิดได่าเข่ามองหงุดหงิดทุรนทุรายอกรรังวลทุรนทุายนี่มันเป็รนทุรายจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรื อ, รอถึงแม้ว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็สงเคราะห์เป็นกรรมอารมณ์ได้เพราะว่าเมือ่อคนที่จะตายด้วโรคพอมานมากๆเนี่ยต้องถือว่ามีวิบากอากุศลตายไม่สบายตายไม่สงบหรือมีอาการพอมานมากมายอย่างคนเป็นโรคมะเร็งตายเนี่ยแหมพอมานสาอับสเกิน ทรมานแทังวินาทีสุดท้ายจะขาดใจคนเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งในคออย่างนี้แหมทรมานมากป้อนน้าป้อนข่าวหรือคนที่เป็นอ่าโรคตัวน่าตายเวลาคิดคิดโรคตัวน่ามันขึ้นสมองเนี้ยหอนเป็นสุนะัขครานเป็นสุนะัขนี่เหมืนหมายังไม่ทันตายเลยเป็นนี่เลยฉันทั้งเป็นแล้วลกไปครานสี่ตีนนุ่งตะหมาแล้วหอนเสียงเหมือนหมาน้ําลายพูมปากนี่ไอ้โรคตัวน่าเนี่ยเวลาเป็นแรง ในบางรายมีไม่ทุกรายตายบางรายก่อนจึมแล้วก็ตายแต่ก็มีซึมจึมหลังแข็งคอแข็งอยู่ได้สองวันก็ตายบางรายนะแต่ไอ้บางรายก่อนจะตายนะ่ะโอ้ยหอนตั้งสองวันสามคืนกว่าจะตายแหม้าวบ้านเชาวท้องฟั ง, งแล้วขนพองสยองกล่าวถอนถึงเสียงสุนัขพิษหมาบ้ามาขึ้นสมองทําลายระบบประสาทหมดอย่างนี้ถ้าหากว่าอารมณ์จะพึงเกิดกับคุณคนนี้เวลาจะตายแล้วหามันเป็นกรรมมอารมณ์แล้ว ก็ถือเอาอาการที่ใจน่ะทุรนทุรายอาการใจที่เกิดมิปฏิสาร ม, มีความสุขจะเกิดจากคิดโลกก็าตามจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในภายในก็าตามนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาอยู่รวมกันอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าไม่มีใจสเสวยแล้วที่นั้นจะรู้สึกอย่างนไหมรู้รอยู่ที่ใจนั่นแหละเกิดอาจารย์ุรนทุรายอย่างนั้นแล้วจิตในขณะนั้นน่ะก็ยึดเอาไออ า, ารมณ์อันเนี้อ เป็นมีดิบเป็นเครื่องหมายเป็นที่กเกาะพราะจิตของบุคคลกับพรภาริยาเจ้าเบื้องตายจะไม่ทำอะไรจะไม่ยึดอะไรเป็นไม่มีขึ้นชื่อว่าจิตแล้วจะต้องมีอารมณ์ให้หยึดอันนี้เป็นหลักตายตัวของหลักปรมาจารย์จะต้องมีอารมณ์ให้หยึดนะเพราะฉะนั้นเมื่อนคนคนนี้ยึดแล้วจุติจิตทําหน้าที่ยุติจิตที่มาทําหน้าที่นะ่ะใช้คำว่าทําหน้าที่ดับภบในภพนี้เลิกกันทีเลิกกันดับภพบในภพนี้ก่อน ถ้าจุติจิตไม่ไม่เกิดกลับตายกลับน้ำตาย ไ, ไม่ลงไม่มีทางไปตกได้ถ้าจุติจิตไม่เกิดมันตายไม่ลงจุติจิตน่าเกิดเพื่อจะทําหน้าที่ดับดับทบดับทบปัจจุบันทําหน้าที่หมดเรื่องกันสักทีหมดเรื่องกันแล้วพรุ่งนี้พอจุติจิตดับไปแล้วจุติจิตดับไปแล้วปฏิสนธ์ที่จิตเกิดขณะต่อมาอันนี้ระวังจุติกับปฏิสนธ์ที่เนี่ย ไม่มีอะไรข้ามระหว่างกลางนะเป็นอนันตระปัจจัยด้วยเป็นสมานันตระปัจจัยด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยเป็นอัตคิปัจจัยด้วยเป็นวิคตาปัจจัยด้วยไม่นทัศนี่ปฏิปัจัยด้วยเป็นพระราชาจปัจจัยด้วยหลายอันถ้าเราเีปฎิฐานนั้นเราต้องรู้จะเอาก็ง่ายๆว่าอนันตระปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยทําไมในหลักพุทธศาสนาในเทระว่าถึงย้าเรื่องอนันตระปัจจัยระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิจิตนั้นเพราะอะไรในเรื่องนี้ก็ขอสอดแทรก ที่ย่ำโลกอย่างนี้น่ะเพราะว่ามีความเห็นทัศนะของคณาจารย์ในต่างนิกายในต่างนิกายนิกายนั่นคือนิกายสารวาสติวาทะเรียกในภาษาบาลีว่าสัพพติกวาสนิกายสัพพติกวาสั้นสังเกตเรียกว่าสารวาสตีวาทะนิกายนี้เป็นนิกายคู่แข่งกับนิกายเทรวาในอินเดียมีมีกําลังมีคนนับถือพอฟัดโเวียงกับเทรวาทีเดียว นีการเล่พุศาสนาเหมือนกันนะไม่ใช่ต่างศาสนานะนทีน่นี้นิกาล่าพศาสนาเป็นกันเองแหละแยกให้กายกันนี่กาตรตะ ว, วันติม่าแต่เขาบอกว่ า, าระหว่างจุติกปัปฏิสนธิน่ะมีทพบมาขั้นในระหว่างทบนี้เรียกว่าอันตรภพอันตรภูอันตรภ พ, ร พ, รพคือทบในระหว่างบุคคลที่ตายจากทบปัจจุบันจะต้องไปพัก อยู่ในอันตรภาโวนี้หรืออันตรภพนี้ไปพักหน้าตาเหมือนคนตาไม่มีผิดในระหว่างที่ไปภักเนี่ยในเรื่องนี้แหละชาวพุทธในเทรวาตเรายัางเข้าใจผิดมากคือเป็นความเข้าใจในิกายพุทธชาวพุทธในเทรวาตในเมืองไทยเราเนี่ยไม่เกิดความเข้าใจเป็นกรงนิกายสลาวศีวาศเขา้าในเรื่องอันตรภาโวบอกว่า คนตายที่เป็นผีมาหลอกบอกว่าเ้ายังไม่ได้เกิดเราเข้ามาหลอกเรามละเขาจะไปไปเกิดที่ชอบที่ชอบ น, น, นะอย่ามาหลอกผูหลอกคนเล ย, ขยเยาาขายังไม่ได้เกิดกนึกอย่างนี้ถ้าเราถือว่าเขายังไม่ได้เกิดตลอดนั่นแหละเรากะเราเป็นนิกายสระวาสติวาทแนนะกาลังเป็นสังกัดนิกายสระวาสติวาทไม่ใช่เทรวาเพราถือว่าคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดอย่าไปมัวเป็นผีเที่ยวล่องรอยหาที่เกิดบางคนก็เลยมาแปลคาบอกสัมภเวสีแปลว่า นี่แหละพระเวสสีเนี่ยคือผีละ่ะเขียวร่องลอยห ล, ล่อเขาขอส่วนบุญครับมามาโผตามบาชาโผให้คุณเห็นเนี่เป็นผีสิงโลนตินสารเนี่ยความเข้าใจาของชาวไายในเมืองไคยเราเป็นอย่างนี้ร้อยละเก้าสิบเ้าทั้งนั้นแหละพอตายแล้วยังไม่ไปเกิดได้เกิดยังเป็นผีอยู่ถ้าเข้าใจายอย่างนี้รลบเป็นนิการศรวาลสติว่าเป็นพวกมีนิการศรบาลสติว่าที่ถือว่ามีอันตรธานู คือมีทุกอยู่ระหว่างจุดตีกับปฏิปสมธิเที่ยวต้องเที่ยวหาทางอยู่ว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดในท้องหมาหรือไปเกิดท้องแม่หรือไปเกิดท้องคนหรือไเกิดท้องพญามารกษัตริย์นี่กำลังหาช่องหาทางอยู่ไม่ก็อย่างนี้ว่าสัมเวสีผู้สไลหาพุกนีเน่ก็ต้องมีอะไรร่องรอยอยู่ว่าสิวิญญาณล่องไปแล้วไปล่องรอยไม่ใช่ไม่ล่องลอยไม่ได้ล่องวิญญาณน่ะนี่คําว่าสัมเวสีในที่นี้น่ะในอัตถะขุนทศบาท ชื่อว่าประมัติโชติกาซึ่งรันาโดยท่านธรรมปาราธรรมปาราจารท่านแกบอกว่าสัมพเพวสีผู้แสวงหาสมภพได้แก่อย่างต่ำคือสัตว์ในโลกนั้นอย่างสูงคือข้านาคาชื่อเป็นสัมเวสีหมดท่านแก่งั้นเพราะเพราะว่าสัตวงกล่าวนั้นยังมีเพระว่าเนติเพะว่าเนติ หรือเพราะว่าปัญหายังมีเพราะว่าราคะมีพราวะนิสติยังพอใจที่จะสมภพพูดง่ายๆว่ายังมีเพราะว่าราคะอยู่อาณาคายังมีเพราะว่าราคาอยู่สิทาไม่มีแล้วจะไปเกิดในสุทาวาสหรือนี่นีเพราะฉะนั้นเพราะว่าปัญหาแล้วเพราะว่าราคานี่แหละผู้ใดยังตกอยู่ในค่ายของราะว่าปัญหาผู้นั้นชื่อว่าสมเวสี เพราะเหตุนั้นสัมเวรศีไม่เห็นแปลว่าวิญญาณที่ห อ, องลอยเจ้าหาที่เกิดไม่ด้แต่หมายถึงพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นๆอยู่นี่เป็นสัมเวสศีทั้งนะั้นเอาพรเรายังมีเพราะส่าอยู่มะห่อหาสายแล้วไปตอก เ, เป็นๆอยู่นี่แหละเป็นสัมเวสีกันแล้วเบื้องต่ำสเปโรกันนะเบื้องสูงถึงสุทาวาโอมโลตราดใดพระาราคะยังตัไดไม่ได้ตรานั้นชื่อว่าสัมเวสี ถ้าไปแปลว่าสัมโนเวสีคือวิญญาณหาช่องเกิดอย่างนั้นเป็นอันตรภาโวของนิกายตทรวาดสีว่าซึ่งเป็นนิกายหนึ่งแต่ก็จากเทระวาดต่อไปเพาเหตุ น, นั้นตามคติของเทรวาดจึงกล่าวว่าเมื่อจิติจิตเกิดแล้วดับไปจุติจิตนั่นแหละเป็นอนันตรัปัจจัยแก่ปฏิสุธิจิตอุปมาเหมือนหนึ่งบุรุษผู้มีร่างจำยำจับสายเผาวันระหว่างปากเขียวข้างขวาแล้วหูนตัวข้าวเหวไปสู่ฝั่งข้างซ้ายฉันใด ปติบติจิตดับแล้วปติสุลทิศก้าวยากในภพใหม่ก็อุปมาอุปไมยฉันมันเหมือนกันก้าวยากออกไปเป็นอย่างนั้นย่าไม่ฟังหนึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นเลยไม่มีเลยอันนี้อันนี้ก็ปติสุลทิศวิญญาณนี่มาเกิดใหม่นี่เนี่ยพาเอาธรมะเชกุปมาด้วยนะธรรมะเชรุปพคเามันพามาด้วยแล้วธรรมะเชรุปนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่วันเห็นได้กะพบได้ ไม่ได้ก็ไม่ทะลุเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้รู้ได้เป็นธรรมารมรู้ได้เป็นรูปละเอียดติดมากับปฏิสมพิจิตปฐมปฏิสมพิขนาดอย่างลงสู่คันของมารดาก็ไม่ทะลุก็มาท้อเพราะฉะนั้นบุคคลถ้าจะถ้าจะเป็นหูหนวกตาบอดเป็นไใ้เป็นบ้ า, บามาแต่กําเนิดแล้วร่างกายวิกนวิการมาแต่กําเนิดแล้ว กรรมรูปในปฏิสนธิขนาดจิตที่ยังลุ่มตู่ตะละละในมดลูกของมารดานะ่ะมันพร้อมแล้วมันพร้อมที่จะทำอพิการแล้วแต่ถ้ามาภิการภายหลังระหว่างตั้งครรภ์นนะ่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอคําว่าพิการในที่นี้นําหมายความว่าพิการที่ติดมาพร้อมกับปฐมปฏิสนธิขนาดเ่ยติดมาพร้อมกันจาก อุตลาอุตุลกรรมที่ทํามาหรือจะเกิ ด, าดานางวชิญานี่กว่านางสาอภัทราองุ่สกุลก็หมายให้ความเนต้นน้ำติดมาาันจะมาเป็นเชื้อจะมีเชื้อน้ำ ม, มาแล้วเราแต่กรรมัชชลูกปฐมปติสงที่ขนาดมันแล้วนะจะมาเกิดมาชิดริ้วขี้เลยหน้าตาหน้าเสียดหน้ากลัวทำไมคนอยากหนีต้องติดมาตั้งแต่ปฐมปฏิสิที่ขนาดแล้วเนี่ยอย่างนั้นถึงได้สงเคราะห์เป็นกรรมชรลูกแต่ถ้าหากมาที่กรมกิการในท่ามกลางระหว่างที่ยังอยู่ในคันระหว่างติดเดือน ภายหลังปฐมปฏิสุลที่ขณะล่วงไปแล้วอย่างนั้นไม่นับไม่นับนั่นเป็นเหตุปัจจุบันไม่นับเหตุในอดีตไหมครับว่าถ้ารูกประทังที่จะมีกบฏการอันเกิดจากอำนาจวีบาตของอกุศลที่เกิดจากอาดีตตรงมาข้ามพบอันนั้นต้องมาพร้อมกับกรรมฉลุในปฐมปฏิสุลที่ขณะอันนั้นแต่ถ้ามาตาบอกเพราะว่าแม่ไปกินยาผิดเช่ง ใ, ในประเทศเยอรมันมีเล่าเมื่อเร็วๆนี้มีเล่าว่ามียาขนาดหนึ่ง ญิงมีคันกินมาแล้วออกออกมาแขนด้วนขาด้วนแต่หน้าเสียดหน้าตัวเป็นจำนวนพันพันลายเกิดเด็กที่การําพันพันลายกระทั่งรัฐบาลต้องประกาศห้ามยาชนิดนี้ที่แจงโทษยาชนิดนี้ทั่วโลกอย่างนี้ไม่ถือไม่ถือว่าเด็กที่เกิดนาทพิกมีการอย่างนี้นะ่ะเกิดพร้อมกับกรรมชรูปในปฏิ ป, ป, ปติอปฐมปฏิชนทิขนาดไม่ถือไม่ถือเป็นอเหตุสุกกะปฏิสนที่ ถ้าเกิดมันเป็นใบเป็นบ้าปฏิไม่เต็งเป็งภายหลังเพราะอำนาจนินยาที่แม่กินเข้าไปหรือเกิดเพราะพิการแม่ไปหกตัวที่ไหนเด็กในท้องเกิดพิการอย่างนี้ไม่นับตัดทุกปฏิสนธิไม่ถือเป็นอหิบตุกะปฏิสนธิแต่ถ้าหาวอยากจะถือเป็นอหิบตุกะปฏิสนธิต้องถือตั้งแต่ปฐมธรรมฉลุที่มาพร้อมกับปฏิสนธิขนาดจิตถึงจะถือนี่ก็ผู้จหญเราไม่มีที่ประจักษ์สุญญ์แล้วก็ ดูยากว่าคนคนนี้จะเป็นอเหตุกกาห ร, รือไม่อเหตุกการหรือหรือหรื อ, รอจะมาเป็นกัญทายหลังนี่พูดยากนะครับอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการในพุทธศาสนาอันนี้อ่ะก็เข้าหลักกับวิทยาศาสตร์อีกข้อหนึ่งคือว่าทั้งพุทธศาสนาไม่ได้อ้างบอกว่าชีวิตจิตใจกับร่างกายเราเนี่ยมาจากวิญญาณในชาติก่อนอย่างเดียวเรารับเรื่องปัจจุบันด้วยคือรับเรื่องกายเนื้อกายเนื้อเป็นของหมายที่เราหาหมายพ่อแม่หาให้เราถ้าจะเปลี่ร่างกายนะ เหมือนกับเรือนล่าเหมือนกับบ้านหลังกายของเราเหมือนบ้านตัวเราเนะี่ยมันผู้อาศัยในบ้านนั้นไอ้หลางกายหลังนี้นะ่ยก็มีพ่อแม่เป็นผู้สร้างให้เราปรกิทุนที่จิตนะ่ะคือผู้อาศัยใน่างใในในเรือนใ น, ในเรือนหลังนี้พ่อแม่สร้างเพราะฉะนั้นคนฝรั่งเกิดมาก็หน้าตาเป็นฝ ร, รั่งผิวขาวสินตัวเกิดมาก็ผิวดําสิผมหยิกสิหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนตู่เหมือนย่าไปตามเลือดพันทุกตัว นี่แปลว่าไอ้นามาทมหรือคุณสมัติของใจเนี่ยต่างกันพ่อแม่เป็นมหาโจนลูกเป็นข้าระชการก็มีไม่จาเป็นว่าลูกท่านหองพ่อแม่จะมาทำให้จิตใจของลูกพอเป็นโจรไปด้วยหรื อ, อยังโชวแปงโมสาสตนักดนตรีนักเพมมีชื่อของยุโรปก็ไม่เคยปรากฏว่ามันท่นบุรุษของท่านเหล่านี้น่ะคือเป็นนักดนตรีอะไรมีชื่ออะไรนักหนา อางนักชีววิทยาชอบอ่านกันบอกว่าคนไรกันโง่ไม่ใช่ฉลาดน่ะอยู่ที่ทุบเลือดซึ่งสืบมาจากกรรมพันธุ์ของบิดามารดาปู่ย่าตายายฮะก็ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งเป็นคนเก่งหรือเป็นยีเนี่ยหรือว่าเป็นได้พรสวรรค์พิเศษอะไรมาลูกเต่าโตกมาจึกเนีอัจฉริยะว่ายงนั้นแต่ข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนวัดไอคิวสารวจดูชีวประวัติเมืองหลัง ของบรรพบุรุษของอัจริยะบุคคลต่างๆทั่วโลกแล้วไม่ปรากฏว่าอัจริยะเหล่านี้เคยมีพ่อแม่หรือตู่ย่าตาย า, ายเป็นอริยะเลยไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏเลยข้อนี้จึงเป็นการขานสมมติฐานของฉีววิทยาทางวัตถุที่จะอ้างว่าคนเรานะ่ะถลายจะโง่มาจากเลือดของบรรพบุรุษไม่จริงไม่จริงเลยนี่ในเด็เด้เป็นการขานนั้นทั่วโลกเขาได้ตั้งสถาบันสำรวจ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 ไอ้ตายนี่ไม่เคยมีบรรพุทธที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีไอคิวมีความเปล่นประกายอย่างไอ้ตายเลยไม่ไราด ก, า ด, ก, า ด, กาดเลยถึงเจ็ดช่วงโคตรอบสวนย้อนหลังแล้วไม่มีเลยอย่างนี้แล้วก็แปลว่าต้องยอมรับอยู่ข้อเดียวว่าคุณสมบัติในจิตของไอนะ้ตายน่ะในภาวาังของไอนะ้ตายน่ะเด็นคุณต้สมบัตที่อบรมมาแต่อดีตภพอบรมมาแล้วความฉลาดอันนั้นนะ่ะความที่จะเป็นอัจฉริยะนนั้นอบรมเป็นเชื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าไอ้ตายจะไปเกิดการในท้องใคร ถึงแม้จะเกิดในท้องคนตาคน ง, งไอครตายก็ต้องฉลาดแหวกเห่าแตกแต่กล่าพาพาเกาะออกมาจนไดน้อันเนี้เป็นตัวอย่างอย่างบาชิอเมทีมีชื่อของโลกอย่า ง, งคงจู้ก็ไม่เคยปรากฏว่าบิดามานดาหรือต้นวงศสกุลเป็นคนฉลาดหรือเป็นบัณริตเป็นนักปราชิอามา ก, ก่อนไม่มีเลยแต่งคงจื้อก็เป็นคนพาเราพากาะ อ, ออกมากลายเป็นนักปราศที่ยิ่งใหญ่ในบูรพาพิษนี่เป็นตัวอย่าง ใกล้เข้ามาเราดูศักยะโค์ของพระพุทธระตลอดสายศักยะโยงซึ่งเจอตั้งแต่สายพระเจ้าโอการาชก็มิคืปรากฏว่ามีเจ้าศักยะโยงไหนที่จะมีความปูนปราดแต่ชาาในทางสติปัญญายี่ยมยอดเช่นพระพุทธเจ้าเลยไม่นี้เลยเราดูตัวอย่างใกล้ๆในสายศักระโค์ก็อไม่มีถ้ามีก็ต้องมีเขียนไว้บ้างแล้วประวาตในหนังสือพุทธประวัติ ที่แตนไม่ชอบต่างๆเช่มนมันในฤาษีวิระในดีวายาลภานเดี๋ยวพัลนาถึงอดีตชีวะประวัติของเจ้ากัจยะองค์สำคัญสำคัญที่เป็นมรรบุรุษของพระพุทธโธเนี่ยไม่เคยพัลนาในทางที่จะเป็นนักปราชญ์ไม่มีเลยแต่พอมาถึงพระพุทธเจา้าพระองค์เป็นปราชญ์ขึ้นกว่าปราชญ์อันนี้ก็เห็นได้แล้วว่าเรื่องเลือดเรื่องกรรมพันในทางชีววิทยา่ะเป็นสมมติฐานอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตอปัญหาทางนามธรรมไม่ตก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 ในในในสิ่งต่างๆซึ่งความวิทยาศาสตร์ยัค้นคว้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นด้วยตราบใดที่วิทยาศาสตร์เรายังพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นว่าจะเป็นของไม่จริงไปเสียเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคําพูดที่น่าจะยกย่องสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างเซอร์เมจมส์กินไม่ใช่ว่า อ, อึกอ้าก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพราะโลกไม่มีเลยอ้างหลักทางวัตถุบอกว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าไม่มีเนี่ย ผู้ที่อ้างอย่างนี้ี่ก็โดยมากเป็นนักวิทยาศาสตร์เทียมนักวิทยาศาสตร์แก้หรือว่าพวกหนนว่าตีเสมอนักวิทยาศาสตร์ความจริงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงซะหน่อยคือว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงก็จะต้องรองการพิสูจน์ก็มั อ, อยังความก้าวหน้าได้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครบางอาจที่จะกล่าวได้ว่าได้ถึงจุดจบของการพัฒนาของมันแล้วใครเลยจะรู้ว่าอีกร้อยปีสองร้ีข้างหน้าเราจะไม่สามารถจะค้นพบในเรื่องปาระโลกหรือเรื่อง อทฤษฎีากายต่างๆอันเหนือวิสัยของสางมัญมนุษย์นี้หรือในนิวิทยาศาสตร์ยังก้าหน้าไปเรื่อยๆก่อนก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าหนึ่งก็เป็นการหักล้างทฤษฎีเก่าๆของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนที่ค้นพบมาที่ละเปรา ะ, ออระท้องเปราะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมีคนเชื่อกันบอกว่าเส้นตรงในโลกนี้มีเชื่อกในนั้นเชื่อกั น, น, นมานานต่อมาก็ถูกคัดค้านว่าเส้นตรงมีไม่ได้สิเส้นตรงนี่ท่านลาวลากยาวไปแค่ไหนก็ตาม ในที่สุดเส้นตรงเส้นนั้นจะต้องมาหาจุดตั้งเส้นของมันใหม่เพราะอะไรเพราะมันกลมเพราะถ้าเส้นตรงนี้เยูในที่นี้ไม่ถได้ลากไป ล, ล่ามามันก็มาเวียนมาหาที่เก่าอีกนั่นแหละนี่เป็นเรื่องเป็น เ, นเรื่องนี่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงสมัยมล่ายาศาสสมัยหนึ่งเชื่อกันว่าอนุนี่แหละเป็นอันตีมาของวัตถุเมื่อย่อลงไปแล้วคืออนูต่อมาก็เชื่อว่าอนุยังแยกตัวมันเองได้เป็นประมาณูเดี๋ยวนี้ ปรมาณูก็ไม่จริงอนูก็ไม่จริงเพราะทั้งอนูกับปรมาณูล้วนแต่เป็นวัตถุย่อยสามารถสลายตัวมาลงไปเรื่อยเืกก่อยจนกระทั่งเป็นพลังงานถ้าหากว่าปรมาณูสลายตัวไม่ได้แล้วไฮ้ดยเจนบอมก็ไม่เกิดปรมาณูบอมก็ไม่เกิดที่เกิดใไฮโดยเจงบอมเกิดขึ้นได้นะ่ะก็เป็นการหักล้างทฤษฎีเรื่องปรมาณูไม่สามารถสลายตัวมันสลายดุสลายตัวะได้กลายเป็นพลังงานเป็นเป็นเป็นพลังงานเมื่อตั้งปัญหาถามนักวิทยาศาสตร์ว่าแล้พลังงานล่ะ